ทำไมผลของการฆ่าไม่เท่ากันถามทุกคนน่าจะเคยฆ่ามาเหมือนๆกันทำไมผลจึงไม่ปรากฏชัดเช่นไม่พิการไม่อ่อนแอคนส่วนใหญ่ยังดูปกติดีกันทั้งนั้น ตอบที่คนส่วนใหญ่ยังดูปกติดีส่วนหนึ่งก็อาจเพราะไปรับผลหลักๆมาแล้วในอบายภูมิพอผลเบาบางแล้วได้รับแรงส่งของบุญเก่าแล้วจึงเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอาการปกติจะเหลือเศษบ้างก็แค่ตกแต่งให้รูปร่างหน้าตาบูดบูดเบี้ยวเบียวไม่สมส่วนหรือยังผลให้สุขภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น คุณลองสังเกตเธอครับกายมนุษย์เราเต็มไปด้วยข้อบุกร่องหายากมากๆที่ใครจะสมส่วนสมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิมาแต่เกิดแล้วก็น้อยมากที่สุขภาพพลนานามัยยอดเยี่ยมไม่มีโรคประจำตัวไม่มีความอ่อนแอแพ้สิ่งแวดล้อมยากแต่และคนแหว่งตรงน้นนิดบิ่นตรงนี้หน่อยกันทั้งนั้น และแม้ทุกคนเคยผ่านการฆ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างมาด้วยกันทั้งสิ้นก็ใช่ว่าจะมีองค์ประกอบแห่งการฆ่าเหมือนเมือนกันองค์ประกอบสำคัญที่ตัดสินว่าก่อกรรมด้วยการฆ่ามีอยู่หลายข้อครับแต่และข้อก็มีความยิ่งย่อนผิดกันด้วยหนึ่งรู้ว่าเหยื่อเป็นสิ่งมีชีวิตตัวความรู้อาจเต็มที่ เช่นเห็นคนที่เป็นศัตรูยืนสูดอากาศยามเช้าอยู่หรือรู้ครึ่งครึ่งกลางกลางเช่นเห็นจุดดำๆในบริเวณสลวไม่แน่ว่าเป็นยุงหรือเศษฝุ่นหากรู้แค่ครึ่งครึ่ ง, งกลางกลางก็นับว่าจุดตั้งต้นในการค่าครึ่งครึ่งกลางกลางเช่นกันอีกประการหนึ่งตัวของสิ่งมีชีวิตเอง ก็มีพลังชีวิตไม่เท่ากันฆ่ายุงพันตัวไม่เท่าฆ่าวัวแค่ตัวเดียวและฆ่าวัวเป็นหมื่นตัวก็ไม่เท่าฆ่าพระที่รักษาวินัยสงเพียงรูปเดียวพลังชีวิตยิ่งโตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งทรงคุณกับโลกและยิ่งมีจํานวนมากขึ้นเพียงใดการฆ่าก็ยิ่งมีผลแรงขึ้นเพียงนั้นถ้าฆ่ายุงทุกวันวันละเป็นสิบตัว ผลที่ปรากฏชัดอาจเป็นโรคภูมิแพ้หรือเกิดใหม่เป็นพวกเจ็บป่วยอดอดแอดแ อ, อ, อ, อยดยืดเยื้อแต่ถ้าฆ่าพระดีเพียงครั้งเดียวผลที่ปรากฏชัดอาจครบสูตรเช่นถูกฆ่าอย่างสยดสยองเกิดใหม่ในนรกถ้ามีวาสนากลับมาเป็นมนุษย์ก็อาจรูปร่างหน้าตาวิกลวิการไม่น่ามองเรียวแรงน้อยเป็นโรคง่าย เป็นโรคร้ายรักษายากหัวทึบคิดอ่านไม่ทันใครขี้ขาดตาขาวอายุสั้นแถมเวลาตายมีสิทธิ์ตายไม่ดีมากกว่าตายดีและที่สำคัญคือเกิดมาอาจทุกพลภาพพิการในทางใดทางหนึ่งเช่นถ้าฆ่าโดวยวิธีตัดมือแล้วปล่อยให้เลือดไหลไม่หยุดจนตายก็เตรียมออกจากท้องแม่ พร้อมความเป็นง่อยเปลี่ยมือเท้าไม่อาจใช้งานได้เลย 2. มีความตั้งใจที่จะฆ่าตัวความจงใจฆ่านั้นพิสดารได้เท่าจินตนาการและเหตุการณผ่าไปบางคนไม่เคยบี้แม้แต่มดแต่ตกอยู่ในสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องฆ่าคน เช่นโจรที่กำลังบุกเข้ามาทำร้ายครอบครัวตนก็อาจฆ่าแบบไม่เต็มใจไม่ตั้งใจถนัดทนีนักแค่อยากให้เรื่องเลวร้ายยุติลงซึ่งเท่าที่คิดได้ก็หมายถึงการใช้เครื่องทุนแรงฆ่าโจรเมื่อฆ่าเสร็จย่อมรู้สึกผิดรุนแรงความรู้สึกผิดนั่นเองเป็นตัวถอนกำลังบาปให้ลดลงอะโข ความตั้งใจหรือเจตนานั้นนับเป็นประธานในการก่อกรรมยิ่งนิ่งยิ่งแน่วแน่ที่จะฆ่ามากเท่าไรความชัดเจนในการฆ่าก็ยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นการตั้งใจฆ่าโดยไม่สำนึกผิดเป็นธรรมชาติของปีศาจไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์จึงไม่นา่าแปลกหากคุณจะรู้สึกขนลุกราวกับเจอผีเมื่ออยู่ใกล้ฆาตกรเลือดเย็น พลังนี้มีพลังคุกคามให้คุณผวาเยือกได้เพียงแค่ศบตาและความน่าสะเพรึงกลัวในชาติปัจจุบันของพวกเขาจะพลิกกลับไปทำให้เขาขี้ขลาดตาขาวในชาติถัดไปนอกจากนั้นความเยี่ยมเกรียมในจิตจะเป็นตัวกาหนดระดับการให้ผลว่าจะเกิดใหม่พิกลพิการมากน้อยเพียงใดมีผู้คุมนักโทษจำนวนมาก ได้รับคำสั่งให้ทรมานเฉลยศึกบ้างอาชญากรบ้างด้วยวิธีทารุณกรรมป่าเถื่อนต่างๆตอนแรกก็อาจแยงแยงแต่พอทำจนชินกลายเป็นความสนุกจิตก็สะใจยินดีในความทรมานของมนุษย์ในมือตนนั่นแหละครับที่จะเป็นผลอันดูไม่จืดเมื่อเกิดใหม่ สมมีความพยายามกระทําการฆ่าเจตนาฆ่ากับความพยายามฆ่าไม่เหมือนกันเจตนาเป็นแค่ตัวจุดชนวนว่าจะลงมือจริงแต่เมื่อลงมือจริงนั้นอาจถูกมโนธรรมงงเหนียวไว้ก็ได้หรืออาจถูกความอาฆาตแค้นรุนแรงสั่งให้รีบฆ่าโดยเร็วที่สุดก็ได้ บางการพยายามในการฆ่าอาจต้องรอเวลาอาจต้องเดินทางไกลหรืออาจต้องฝ่าอุปสรรคหลากหลายยิ่งมุ่งมั่นนานขึ้นเพียงใดแทนที่จะเป็นเรื่องดีกลับกลายเป็นขยายผลให้บากหนักขึ้นเพียงนั้นความมุ่งมั่นที่เข้มข้นหรือใช้เวลาแรมปีในการตามฆ่าให้ได้จะมีส่วนให้วิบากมีความเข้มข้นมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ยกตัวอย่างเช่นถ้าใจคิดอยู่ทุกวันว่าจะต้องเอาตัวศัตรูมาทรมานให้ตายช้าๆให้ได้ย่อมเป็นการอัดพลังบาปให้แน่นหนามั่นคงไม่กลับไม่เปลี่ยนไกรทัดฐานให้เลิกราก็ตั้งหน้าต่อไปตัวนี้เองทำให้กรรมที่เพลิดผลมีความหนักแน่นเปลี่ยนแปลง ย, ยากหาบุญอื่นมาสู้ยากหรือไม่มีทางแก้ใดๆเลย ในทางกลับกันแม้ทำให้สิ่งมีชีวิตตกตายเป็นจำนวนมากเท่าว่ามีความพยายามในการค่าต่ำเช่นใช้อุปกรณ์ทุนแรงไม่มีความเหี่ยมเกรียมอยู่ในจิตหรือกระทั่งบังเกิดความสลดสงสารเหยื่อแทบร้องไห้อย่างนี้กำลังในการให้ผลก็อาจอ่อนลงส่วนหนึ่งในที่ที่การผลิผลจะไม่หนักหน่วงมาก หรือมีสิทธิ์เยียวยาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ง่ายสสิ่งมีชีวิตที่เป็นเป้าหมายตายดับลงแม้รู้ว่ามีชีวิตแม้ตั้งใจฆ่าให้ตายและแม้พยายามลงมือฆ่าจริงๆแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงคราวคาดของเหยื่อเหยื่อยังไม่ตาย ก็ถือว่าคุณก่อกรรมข้อปานตาิบาตไม่หลุ่ล่วงผลที่เกิดขึ้นจากเจตนาฆ่าครั้งนั้นจะเป็นความเข้มข้นของอากุศ ล, ลจิตจิตจะมืดมนเศร้าหมองลงและถูกชักจูงเข้าสู่วงจรบาปได้ง่ายถ้าว่าผลแห่งปานตาิบาตเช่นโรคร้ายอายุสั้นเกิดใหม่ทุกพลภาพนั้นอาจไม่ปรากฏ เนื่องจากการฆ่ายังไม่เกิดขึ้นจริงแม้วิธีที่สัตว์ตายก็ยังผลให้เกิดความแตกต่างถ้าสัตว์ตายทรมานพลังด้านลบที่เกิดขึ้นในขณะสัตว์ทรมานนั้นจะย้อนมาตกแต่งร่างกายของคุณให้ทนทุกทรมานเหมือนจะขาดใจบ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หากสัตว์ตายสงบ เช่นโดยกระสุนเจาะเข้าหน้าผากยุติการรับรู้ทางประสาทอย่างเฉียบพลันโดยไม่ทันทราบด้วยซ้ำว่ามีใครหมายชีวิตตนอันนี้การตายของเหยื่อก็ไม่ส่งพลังสะท้อนให้คุณต้องทุกข์ทรมานมากนักในที่ที่กรรมเพลดผล